ผู้ปฏิบัติใหม่ให้ตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวงเล็บเปิด 5. มกราคม 2550. จุดจุดนาที 35. วงเล็บปิด สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ให้อ่านใจไปดูใจตัวเองไปเรื่อยๆแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือตื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งเซ็งๆแล้วในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คอยตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ต้องทาอะไรมากหรอกอย่างตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมถ้างงรู้ว่างงเห็นไหมรู้ลงปัจจุบัน งงรู้ว่างงนั่นแหละธรรมะแค่นั้นเองง่ายจะตายกําลังงงอยู่รู้ว่ากําลังงงอยู่กําลังมีความสุขรู้ว่ามีความสุขกําลังมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์อย่าพยายามนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นล้มเหลวจริงๆนะไม่ใช่แกล้งว่าเพราะมันมีความอยากพออยากขึ้นมาเราไม่เห็นเราก็ลงมือทํางานอย่างนี้ ตันหาเป็นผู้สร้างพบมีความอยากนะอยากรู้อยากเข้าใจก็สร้างพบคือลงมือคิดคิดไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความอยากเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเรื่อยๆกระทั่งอยากรู้นะอยากรู้ก็รู้มัน